ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่ร่มประสติญาณได้นำเสนอวิริยบา ร, รมีมาถึงข้อที่เรียกว่าอนุรักษณาประธานคือเพียรพยายามรักษาสิ่งดีงามต่างๆซึ่งมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วนี่ให้ดำรงอยู่แล้วก็พยายามเพิ่มพูนขึ้นให้มากยิ่งขึ้นก็นำเสนอเรื่องคุณธรรมในเพลงชาติ ที่เป็นเอกลักษณ์เป็นสั ญ, ญลักษณ์เป็นคุณสมบัติของคนไทยที่เป็นองค์รวมแต่มองจากอดีตกาลนะที่ว่าผ่านมาแล้วคนไทยไมีลักษณะอย่างนี้รักสงบในที่ใดได้มันวุ่นวายไม่ค่อยสงบอยู่ไม่ค่อยเย็นแล้วก็ไม่เป็นสุขเนียจะอุปยกลื่นย้ายมาเรื่อยๆถ้าเรานับจากเขาอันตายมาเนี่ยมันก็น่าดูนะขึ้นย้ายกันมาตลอด แสดงว่าโดยพื้นฐานนั้นไม่ต้องการจะไปทะเลาะวิวาทอะไรกับใครตรวลึกๆเนี่ยเราจะเห็นว่ า, าศาสนาพุทธีอยู่กับเรามานานเนี่กิดมันสร้างไปลักษณะนิสัยที่ไม่ต้องการจะทําอะไรให้เป็นบาปเป็นอกุศลเพราะว่าเราจะต้องรับผลของบาป น, น, นานๆได้เกิดแล้วก็บังคับประาการเกษตรสลับมีการประณีประนอมสูงนะครับมีการประสานประโยชน์สูงจนเป็นลักษณะเด่น คือรู้จักประณีประนอมแล้วก็ประสานประโยชน์คือไม่ใช่ปล่อยให้เป็นเรื่องของการเสียน้อยเสียง่าย เ, าเสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่ายแล้วก็มีการประนีประนอมมีการประสานประโยชน์มีการแลกเปลี่ยนกันแล้วบางครั้งบางคราวก็ถึงก็เสียสละ่น่าทิ้งบ้านทิ้งเมืองอพยพเคลื่อนย้ายกันเรื่อยๆเนี่ยมันนอกจากสลรักสงบแล้วเสียสละแล้วเนี่ย มันยังเป็นการแสดงถึงเห็นว่าถ้ามีเขาต่อไปเนี่ยอาจจะมีปัญหาก็สละไปเลยแต่ว่าจิตใจนั้นกล้าหาญโดยพื้นฐานจริงๆและเป็นคนกล้าหาญก็เรียกว่ากล้าหาญบางครั้งบางคราวถึงคราวจะต้องต่อสู้ถึงคราวจะต้องเสี่ยงภัยเสี่ยงชีวิตเนี่ยคนไทยก็ทําได้ดีนะฮะแล้วค่อนข้างดีมากๆเลยแต่ว่า ตงนั้นมันต้องถือเป็นเรื่องสุดท้ายคือถ้าไม่มีทางออกอย่างอื่นแล้วก็แสดงความกล้าหาญในลักษณะอย่างนั้นแต่ความกล้าหาญที่ควรจะกล้าอยู่ตลอดเนี่ยคือกล้าหาญในการที่จะป้องกันความชั่วในการขาจัดความชั่วในการเพิ่มผความดีแล้วก็ในการรักษาความดีทังกล่าวเนี่ยพรา ะ, ะนั้นไอ้วินดูชนจริงจ ร, งจรงิเนี่ยคือจะไม่ยอมสยบต่ออานาจฝ่ายต่า พร้อมที่จะต่อสู้กับอ น, นาจขวายต่าไม่ว่าจะเป็นคนหรือเป็นกินเลสหรือเป็นอะไรก็ตามคือไม่ยอมสยบเป็นอาการของคนที่มีเหตุผลมีสติปัญญาคือในการกระทำบาปเนี่ยท่านสอนให้กลัวในการกระทาความดีเนี่ยท่านสอนให้กล้า คือบางครั้งบางคราวคนอาจจะรู้สึกว่าสูญเสียจะปวดอะไระแต่ว่าผลสำเร็จตอนสุดท้ายเนี่ยคือความสำเร็จอย่างสูงที่เราจะสัมผัสได้เพราะในแนวของอนุรักษณาประธานในข้อต่อไปจึงถือเป็นเรื่องใหญ่มากคือเรื่องสามัคคีธรรมนานมาแล้วประมาณปศสองพันห้ารอยสิบสี่สิบห้านะครับ อาตมาเคยได้รับคำสั่งจากสมเด็จสมัยนั้นยังไม่เป็นสังกาชคือให้เทียบเคียงพระบรมราชาวาทของพระบาทสมเด็จไปเจ้าอยู่หัวกับพุทธศาสนาสุภาษิตโดยมอบมาให้พระไปทำสามรูปแต่สองรูปนั้นท่านทำไม่ได้มาก็ต้องกลับมาจากอินเดียมาทำอยู่หลายเดือนตอนปิดเทิมเดมาทำ ที่เราสนใจมากก็คือว่าพรมราโชวาสในปี2511ที่เอามาเป็นหลักนะฮะทีนั้นส้เน้นที่สามาัคคีรมนี้เยอะจริงๆนะประลบเรื่องสามัคคีอยู่เรื่อยเพราะอะไรเพราะว่ายนอยู่ในยุคของความแตกแยกร้วาวฉานมันมีความขัดแย้งสูงในวงการต่างๆทั้งบริหาร นะทั้งรัฐบาลทั้งราษฎรมีปัญหาเรื่องคอมมอนนิสมีปัญหาเรื่องการปฏิวัติรัฐประหารมีปัญหาความขัดแยง้งมีปัญหาเรื่องการแอบไปฆ่าคนโอ้ยมันยุ่งไปหมดเลยมันไม่ไปสามาัคคีแม้ในวงการสงฆ์ถ้าเราดูช่วงนั้นนะมีความแตกแยกอะไรอ่ะปฏิวัติการสาวพัฒเกิดขึ้น แล้วก็มีการเดินขบวนแล้วก็มีการเรียกรอ้องให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไแต่มันยุ่งไปหมดเลยเพราะทั้งหมดเนี่ยีจริงๆมันขาดสามัคคีแตวตอนที่รักสั่งเรื่องรู้รักสามัคคีเนี่ยเอามาตื่นเต้นมากก็รีบจดทันทีนะครแต่ว่าต้องการดูว่าสรงอธิบายไว้ไงก็ไม่อธิบายเดี๋ยวก็พยายามไปหาเทปไฟเอกสารมาดู ของทับบกเนี่ยเขาลอกปรมรารจวาดมันก็ปิมเปื้อแพร่เราก็ไปขอมันดูก็ปรากฏว่าไม่ได้อธิบายอาตมาก็เลยเรียบเรียงกันมาเล่มหนึ่งเรียกว่ารู้รักสามัคคีอยู่ตามหลักของพุทธศาสนาแล้วก็เขียนเขียนอยู่สองเรื่องนะะเรื่องเรื่องเป็นเล่มเนี่ยเรื่อนึงก็นายทหารผู้ใหญ่ท่านขอให้เขียนสามัคคีคือพลังสร้างสันติัญไปแจกไปในหมู่ทหารทั้งหลาย เพราะว่าในวงการทหารเองก็มีเขาคำว่าแตกแยกให้เห็นอยู่นะเพราะเราขาดสามัคคีทีนี้สามัคคีนะ่ะมันเป็นอาการมันไม่จะเกิดขึ้นง่ายๆนะมันต้องมีฐานของมันป้อนหนึ่งเนี่ยเรามีความรักกันไหมถ้ารักแล้วก็ง่ายนะะจะสร้างสามัคคีง่ายเพราะาต้องสร้างความรักความผูกพันให้ได้ความผูกพันชั้นญาติ ความผูกพันชั้นศาสนาเดียวกันประเทศเดียวกันความผูกพันชั้นท้องถิ่นเดียวกันความความผูกพันชั้นลงเรือลําเดียวกันนะประเทศเนี่ยจริงๆเมื่อเราลงเรือลาเดียวกันถ้าจมก็จมด้วยกันนะฮะถ้าไปประสบความสวัสดีก็ไปด้วยกันแต่สํำนึกตรงนี้มันกระจายไม่ค่อยได้อย่างตอนที่เขาเลือกตั้งสวเราฟังพวกเด็กเด็กรุ่นใหม่อายุสิบปดขึ้นไปเนี่ยที่เขาสัมภาษณ์เอาเออเด็กรุ่นนี้คขาท ถ้าเธอคิดเธออ่านเธอทําได้ตามนั้นแล้วเนี่ยก็หวังได้นะควังได้ว่าบ้านเมืองนี่ไปได้ดีเพราะว่าเด็กรุ่นนี้แสดงให้เห็นถึงสํานึกชาติสูงแล้วก็มีความรักชาติถึงแม้ว่าบางทีจะต้องไปติดตั้งประตูคูว่าจะไม่รับการบริการจากรัฐอะไรก็ตามนะอันนั้นก็เป็นเรื่องอีกกลุ่มหนึ่งเราเขารบ ก, กันไหม เราเคารพสถานภาพของกันแลกกันไหมตรงนี้จะเป็นตัวเชื่อมที่สุดคือคนเราเนี่ยถ้ามีความรู้สึกดีกันแล้วนี่มันง่ายต่อการที่จะเดินก้าสู่สามคัคคีถ้าเรารักกันเราเคารพกันมันก็เป็นการยืนยันว่าจะเกิดการสงเคราะห์กันสงเคราะห์เอื้อเฟื้อดูแลกันนะมีความรักมีความเอื้อทอนมีความห่วงใยกัน มันก็กลายเป็นครอบครัวไทยที่มีความอบอุ่นแล้วก็ไม่มีเรื่องทะเลาะก็ไม่ทะเลาะกันพอไม่ทะเลาะกันมันก็เกิดเป็นสามัคคีสามัคคีมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันบทเรียนตรงนี้เนี่ยเราดูได้นะฮะวัฒนธรรนเมืองของเราเนี่ยเป็นระดับประวัติศาสตร์ ตอนพระนเรศวกู้ชาติก็คนไม่มากนะแต่ท่านก็กู้กันทันได้ตอนนี้นจะตากศิล์กูชาติจริงแล้วใหญ่เลยนะท่านมาจากสามัญชนเท่านั้นเองแล้วก็เจ้าของเมืองตากเป็นหลวงนรกโกยกบัตรเมืองตากาจากกระแหงแล้วก็มาตั้งเป็นพยากรรมแพงเพชรก็ยังไม่คือไปนะพยาวิญราประการนะ แต่ว่าช่องสมุนผู้คนอยู่ที่เมืองจันทรยองจันท์เนี่ยนะฮะไม่มีใครรู้จักเพราะฉะนั้นได้ทหารดูแค่หนะ้าพัน่ะกูชาติได้ได้เวลาเจ็ดเดือนนี่คือตัวอย่างให้เห็นว่าพอสามัคคีแล้วเนี่ยคนน้อยจะ ก, กลายเป็นคนมากเป็นพลังมหาศาลขึ้นมาแล้วก็พิสูจน์ทดสอบว่าคนเราขอให้สามัคคีกันนังไง จะไม่มีอะไรเหนือบา ก, กว่าแรงที่จะนำพาครอบครัวนำพาวัดนำพาองค์กรต่างๆไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองได้ข้อนี้ถ้าเราลองสังเกตโครงสร้างของการปฏิบัติธรรมสมาชคนที่อยู่ร่วมกันเนี่ยมันจะเริ่มต้นที่สร้างความรู้สึกที่ดีต่อกันแล้วเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วสามัคคีก็จะเกิดขึ้นเองนะสังเกตจะเกิดขึ้นได้โดยอารมณ์ พระเจ้าทรงแสดงไว้ในสารานิยธรรมสูตรคือเน้นการปฏิบัติหลักหกข้อด้วยกันจะที่จริงแล้วไม่มีอะไรนะมันเป็นการสะท้อนความรู้สึกที่ดีออกมาเป็นอาการต่างๆแต่นั่นเองทรงติกคำว่าเมตตาใาจกรลังคือจะทำอะไรกับใครอย่างไรให้ทําดยเมตตามี ค, ความรู้สึกเป็นมิตรสนิทสนมกับบุคคลนัน แล้วก็การพูดอะไรกับใครจะพูดต่อหน้าเขาหรือพูดถึงเขาก็ตางพูดกันด้วยเมตตาไม่ใจไปสุบสิบนินทาเล่าหากล่าวร้ายอะไรแต่อะไรต่างๆบางทีเราก็บอกเขาเป็นคนชั่วถามว่าชั่วอย่างไงช่วยอธิบายฟังหน่อยก็ไม่อธิบายอันนี้ก็คือแสดงให้เห็นว่าไม่ไ ม, ไม่ไม่มีเมตตาวจีกรรมคือพูดถึงหรือพูดด้วยในทางลบแล้วก็ไม่ สามารถชี้แจงว่าที่ตัวเองพูดตัวเองเข้าใจ น, นจะเขาแท้จริงแล้วเป็นยังไงพื้นฐานของใจก็คือเมตตามโนกรรมเพราะงั้นเราจะเห็นว่าตัวเมตตากับปัญญาเนี่ยมันจะเป็นหลักเพราะอะไรเพราะว่าปัญญามันขจัดโมหะปัญญานี่ขจัดโมหะแล้วก็ขจัดโลภะ ข, ขจัดโทสะไอ้อกิเลตัวยุ่ง ม, มันก็มีนี่แหละโลภะโทสะโมหะเนี่ยพอปัญญาก็เกิดก็าก็ขจัดได้ แต่ในขณะเดียวกันความรู้สึกเป็นมิตรด้วยความรู้สึกเมตตาเนี่ยถ้าลองสังเกตรเราก็จัดโลภะตุาศาออกมาได้เหมือนกันนะเช่นสมมุติว่าคนคนนี้ยเรารักเขาเราเมตตาต่อเขาเราพร้อมที่จะสละให้ปันแก่เขาก็แสดงกรจัดโลภะได้กรจัดความสนิทได้ก็อาจจะผิดพลาดบกพร่องก้าราวรุนแรงไปเราก็อภัยเขาได้เห็นไหมเมตตามันก็จะทำหน้าที่กะจัดตุศาได้ กระจัดโลภะได้แล้วก็หมายความว่าโมหะก็ถูกกระจัดออกไปด้วยมันธรรมะชุดนี้จึงมีตัวหลักอยู่สองตัวคือเมตตากับปัญญาก็กระจายตัวเองออกมาจนมาถึงจุดหนึ่งหนึ่งคือการเฉลีย่ยผลประโยชน์ต่อกันแลยกันอันเนี้ยโอ้พ่อมาลีเ อ, อื้อเพื่อเผื่อแผ่มีไมตรีจิตต่อกันเลยคปลูกไมตรีไม่รู้ร้างสร้างกุศลไม่รู้รวยคือคนเราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันต้อง แบ่งปันกันกินแบ่งปันกันใช้เอื้อทอนดูแลห่วงใหญ่กันโครงสร้างตรงนี้ยที่พระเจ้าสร้างพระขึ้นมาเนี่ยเรยจะเห็นว่าทําไมพระต้องมีโรงฉันนะฉันตรงอื่นก็ได้นะฮะจริงอนะ่ะบรรยากาศตรงเนี้ตมาเองอย่างจ้องฝันนะว่าที่จริงๆเขาฝันมานานแต่ว่าเส้นทางชีวิตเราคงก็เดินมาออกสายนี้ไปจอแล้ คือยังคิดคือมันประทับใจหลวงปู่องค์หนึ่งที่เมืองนครศรีธรรมราชชื่อรัตนทัตจมุนีม่วงรัตนทัตโชเป็นสาชาติราชการที่ห้ามันเป็นตานานนะฮะคือเป็นตำนานที่เขาเล่าขานเพราะว่าท่านมรณภาพปีอัตมาปีแม่มาเกิดอัตมาแล้วไม่นใหญ่มากก็แต่เราก็ฟังคนเฒ่าคนแก่เล่าเราซาบซึ้งเราซาบซึ้งเราชอบวิถีชีวิตแบบนี้ หรืท่านจะดูแลพระเนรหมดรายได้อะไรเขาถวายท่านเนี่ยท่านก้าเป็นกองกลางแล้วก็พอขึ้นมากรุงเทพญาติโยมถวายอะไรก็ขนกลับลงไปนะฮะแล้วก็เข้าเป็นกองกลางเลี้ยงดูพระเนรพระเนรเนนั่งด้านหนึ่งพระนั่งด้านหนึ่งนะท่านนั่งตรงกลางแล้ฉชาเนี่ยก็ดูสังเกตดูแล้วเขาก็ประเคนพระผู้ใหญ่อละชาบ้านเนี่ยแล้วก็นำอาหารมาถวายถ้าไม่ใช่มีญาติพี่น้องเขาอยู่แล้วเขาก็นิมนต์จดถวายสม่านวันสมภารก็เป็นกอง ทุกคนก็จะมองว่าตรงไหนมันพร่องบกพร่องก็ส่งไปตรงนั้นทงกระจายไปแล้วก็ดูแลเมีแล้วก็จัดฉันฉันเสร็จที่ล้างเขาเพืจะ ด, ดูแลเขาแล้วก็อยู่อย่างเงี้ยเพราะงั้นคนเคารพนักถือท่านมากแล้วก็ในการต่อมาเนี่ยมันเข้าวหนึ่งไปเพราะก็หลวงพี่รูปหนึ่งตอนนี้ท่านอายุร่วมเจ็ดิบแล้วเจ็ดิบแล้วนะะท่านก็บอกว่ามันมีคนเก็บรักษากระดูกท่านไว้ แล้วก็มาถึงรุ่นหลานสิทธ์แล้วเืันนี้เป็นพระธานแต่วันนี้ก็ยังไม่ได้ศึกษานะฮะยังไม่ศึกษาติดตามแต่เราชอบว่าเออการอยู่กันอย่างนั้นมันดูแล ก, กันเ อ, อื้อตอนการวงใหญ่กันแล้วเขาก็มีน้าใจต่อเราอะนะฮะมีน้าใจต่อเรามาเคยเป็นสมภารรักษาการเจ้าวาดูก่อนจะเข้ามาอยู่กรุงเทพรักษาการเจ้าวาปีหนึ่งเราก็เรียนแบบนี้เราซึ้งเรชอบใจแบบนี้ ปรากฏว่าพระที่ในวัดเนี่ยบางองค์แก้ปัญหาเราเยอะเลยเราก็ตั้งเราเป็นต้มพานเราหกพันศาแต่นั่นเองแต่เราก็แสดงความเคารพนับถือแล้วก็มีน้ําใจต่อท่านเหล่านั้นมีงานอะไรเนี่ยไม่ต้องช่ยอะ่ะพระเนรก็จัดการเองไนี่ก็คือคือวิธีการที่จะปลุกเชื่อมโยงจิตใจคือเราต้องมีน้ําใจต่อเขาถ้าเราไม่มีน้ําใจต่อเขาที่ ท่านกล่าวไว้คำหนึงงนีคยในในสังหาวัตถุก็มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งท่านแต่ไม่ทราบว่าใครเป็นคนเรียงนะคือเคยได้ยินจากปากของท่านดนออกกราทัศ์ว่าโอปอมอารุีวจีไพระสงเคราะห์ประชาชนวางตนได้เหมาะสมคือเข้าคนได้ตัว น, นี้ก็แสดงให้เห็นว่าพอจิตมันเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีการให้สละให้ปันมีการแบ่งปันกันแบ่งปันปันกินแบ่งปันกันใช้ เพร า, าพระที่แนวของกรรมฐานนะแนวกรรมฐานก็นําอาหารมารวมกันแล้วก็แยกนะแยกก็พระก็เอาไปเท่าที่ตัวเองจะฉันฉันได้มันก็คือแนวเดิมนะแนวเดิมแต่ว่ากรรมฐานมาทําก็รู้สึกว่าเยอ่อๆรุงรังไปหน่อยนะทำเอาเสียเวลาไปเยอะแล้วเกินเรื่องกินเนี่ยเสียเวลาไปเยอะแต่ว่าก็ดีนะเ ป, นเป็นวิธีดูแลถึงกันแต่กัน แล้วประการต่อไปก็คือว่าเราอยู่ในสังคมเดียวกันในองค์กรเดียวกันในสถาบันเดียวกันเนี่ยปัญหาสําคัญว่าจะดีช่วยมันถึงกันหมายความถ้าเราทําดีญาติพี่น้องก็ป่อยได้ดีด้วยสถาบันองค์กรเรานั้ น, น, นก็ป่อย ด, ดีตามไปด้วยพอเราเกิดพลาดลเกิดพลังพล้งเกิดเผลอขึ้นมาเนี่ยทําพลาดเนี่ยองคอนน์กรมันพลาดนะย่างเช่นสมมตวัดวัดหนึ่งอาวัดอวรก็ได้นะวดัดวรวนนี่อายุมันก็สั่ง150ร้อยห้าสิบกว่าปีละ อาจจะถึงรอบหกสิบเจ็ดสิบไปแล้วก็ได้นะฮะเขารักษาเป็นสถาบันรรดิเก็รักษามาไว้ได้ดีมากสืบต่อกันมาสมภารยุคแรกเป็นเจ้าฟ้าต่อมาก็เป็นพระองค์เจ้าเป็นพระองค์เจ้าแล้วเป็นหม่อมราชวงศ์เราเป็นพระเทรัผู้ใหญ่ะเป็นสังฆราชอยู่ตั้งหลายองค์นะสามสามสี่องค์นะวัดร้อนในระยะกรุงรัตนโกสินทร์สองรอยปีเนี่ยถ้าเราก็เรียกว่าร้อยกว่าปีนะ มีสังฆราชจะตั้งสี่พระองคนงก็แสดงให้เห็นแต่ว่ามันเป็นสถาบันละวบางคนที่มาอยู่ในวัดแล้วก็พยายามชี้หนะตักเตือนกันว่าให้ช่วยการรักษาเกียรติภูมิของตัวเองนะฮะเป็นประการนำคัญที่จริงไม่ต้องไปคิดถึงวัดก็ได้แต่เราสำนึกในตัวเราเองเนี่ยปฏิบัติรับผิดชอบในสถานภาพของเราวัดก็ได้ประโยชน์เพราะมันเป็นการสะท้อนภาพ สะท้อนกลับไปกลับมาได้เนั่นก็คือกฎเกณฑ์ระเบียบแบบแผนต่างๆที่อยู่ในกฎเกณฑ์แบบแบบแผนเงื่อนไขเดียวกันสมนนุนบรลีท่านเรียกว่าสีรัาม ญ, ญาตาคือมีสีเสมอกันปนัญหาที่ขัดแย้งกันในสังคมเนี่ยโดยเจ่นว่ามันเกิดขึ้นจากการมองเช่นว่ากฎหมายเนี่ยกฎหมายมาตราเดียวกันพวกหนึ่งไม่ยอมรับ ยอมรับพวกหนึ่งก็ต้องการจะแก้ไขให้มันมีจุดที่จะอยู่ร่วมกันโดยปกติกกสุขมันก็กลายไปเนี่ยพวกก่อการร้ายพวกทางพักได้ที่ ท, ที่มีอยู่ตลอดนะแล้วพวกคนนิดใดแต่ใดใจเนาะคือหมายความว่าผ่านหนึ่งเนี่ยเขารกกฎหมายกฎหมายเขาว่าอย่างนี้ก็เขารกกฎหมายอย่างนี้กติกาสังคมเป็นอย่างนี้ประช้กันอย่างนี้แล้วพวกหนึ่งก็มาทําความขัดแจงมันในทสุดมันต้องต่อสู้ตรงปรับปรามกันแต่ว่าเอาก็จริงมันอือพี่น้องเรา พอฆ่ากันไปมันกลายเป็นเวรเป็นเวรที่จะต้องปลุกจองล้างจองพานแล้วก็เสร็จแล้วก็มายอดมาทําลายชาติบ้านเมือตัวเองอาคารสถานที่ต่างๆตัวเองประการสาคัญเนี่ยคือเรียกว่ามีทิฏฐิสามัญญาตาคือความเห็นตรงกันคําว่าทรงกันไม่ใช่ตรงในะทุกตัวอักษรนะฮะแต่หมายความมาเรื่องสําคัญสาคัญอะไรก็ตามเรายุติความเห็นตรงนั้นตรงกันอย่างนี้ยอย่างในกรณีที่ขัดแยง้ง วัดหนึ่งก็บอกว่าพระพุทธเจ้านิพพานแล้วเนี่ยไปอยู่ที่อญญายต า, านิพพานดารงอยู่ตนะชั่วงนิรันดร์แล้วคนควาสามารถที่จะไปตักบาตถวายท่านได้แต่ว่าทําได้อยู่สองคนเท่านั้นเองเราฟังแล้วเนี่ยมันถือว่าบิดเบือนหลักคําสอนในพริษัทนะถ้าเขาจะเชื่อของเขาแล้วอย่าเอาพระพุทธเจ้าไปเกี่ยวนะมันอีกเรื่องหนึ่งนะเราจะไม่เกี่ยวเลย แต่พระพุทธ เ, เจ้าไปเกี่ยวเนี่ยพระพุทธเจ้าเป็ของเราแล้วไปเบียดเบือนตรงนี้ไม่ได้มันเกิดความขัดแยง้งอย่างนั้นไม่ได้ใครโกรธใครอ่นะฮะไม่ได้ใครโกรธใครไม่ได้ใครมึ่งจะเบียดเบียนทําลายร่างใครแต่ว่าเมื่อคุณมาอาศัยศาสนาพุทเนี่ยศาสนาพุทธสอนอย่างนี้คุณต้องปฏิบัติอย่างนี้แต่คุณไม่ต้องการปฏิบัติคุณก็สึกไปมันก็จบเท่านั้นเองไม่ได้มีปัญหาอะไรหรือว่าคุณต้องการพบภูมิในลักษณะนั้นก็มีคําสอนให้อยู่ แต่ว่าอย่าบอกว่าพุทธะไปอยู่ตรงนั้นเพราะมันจะทําลายเนื้อหาหลักของคําว่านิพานแล้วก็ถักพระพุทธศาสนาตั้งแต่ยอดลงมาเลยซึ่งเือ่ยอันตรายมากอันนี้คือความเห็นที่ไม่ตรงกันแล้วก็จะมีความขัดแย้งกันในเมื่อความเห็นไม่ตรงกันเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเห็นผิดทั้งคู่ก็ได้นะส่วนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งเห็นถูกคนหนึ่งเห็นผิดส่วนหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งต้องรักษาหลักการคนหนึ่งก็ใช้วิอะไรละ่ะ ความคิดก้าวหน้าก็ว่าผสมยำใหญ่กันไปเรื่อยๆจนไม่รู้เป็นอะไรอ่ะเพราะศาสนาพุทธเนี่ยปลอยให้ทำอย่างนั้นมันก็เป็นอย่างที่เนี้ยอย่างที่ญี่ปุ่นเขาเป็นญี่ปุ่นเขาเป็นก็คือเป็นอย่างนั้นต่างคนต่างก็ตีความต่างคนก็ตั้งตัวศาสนานีใไอ่ของญี่ปุ่นนี่มีเยอะไปหมดเลยแล้วก็ว่ากันไปจนมีข่าวที่ฝรัเกาหลีแย่งวัดกันนะฮะตีกันอุตลุดเลยอุตลุดนันเล่นแรงๆกันมากเลยนั่นคืออะไรคือว่าไม่รักษาหลักการศาสนา แล้วก็คิดใหม่สร้างใหม่ขึ้นมาได้เรื่อยๆแล้วก็มนุษย์มีจิเลสเท่านั้นสร้างขึ้นมาเพิ่มพูนขึ้นมาก็เป็นเราเป็นเสน้นหนิมเกิดขึ้นในศาสนาก็ทําให้มีปัญหาแล้วก็ยากต่อการที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพราะงั้นปัญหาเรื่องทิฏฐินี่จึงเป็นปัญหาใหญ่และสังคมไทยที่เกิดความแตกแยกเนี่ยเราไม่ได้ถือว่าความคิดอย่างนั้นมันเลวร้ายอะไรแต่ว่าเขาไปคิดว่ามันดีกว่าเรื่องอื่น แล้วใที่สุดมันก็ต้องทำลายร่างกันอาศัยลทัทธิความเชื่อที่ต่างกันแล้วคนก็มาแบ่งแยกมาทำลายร่างกันซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่าจะได้เพราะว่าลทัทธิเหล่านั้นมันเป็นลทัทธิของอะไรของคนร่างเขาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเราเนี่ยคนร่างก็เชื่อถืออย่างนั้นก็พอใจทาอย่างนั้นก็ทาไปเราเรามีโครงสร้างอีกอย่างหนึ่ง เรามีหลักการวิธีการอีกอย่างหนึง่งเราก็อยู่กันมาได้นะ่ะคนน้อยนิดแนตะ่สามารถรักษาชาติบานเมืองมาได้แล้วก็แสดงว่าไอ้ความเห็นของเราที่แสดงออกมามันพิสูจน์ตัวเองมาตลอดว่าเรามาได้เราก็อยู่ได้โดยโดยโด ย, โดยปกติสุขไม่จําเป็นจะต้องเป็นหมามหน้าทางเศรษฐกิจอะไรเหรอแต่ว่าให้สังคมนะอยู่ร่วมกันโดยปกติสุขเรียกว่าอยู่ดีมีสุขในเศรษฐกิจก็เรียกว่าพออยู่พอกินมีอยู่มีกินก็พอแล้ว กังคมก็เกิดความสุขได้แล้วก็สามะาคีมันก็เกิดขึ้นมาได้เพราะอะไรเพราะไม่ไปริดรอนทำลายลวงละเมิดสิทธิอะไรของกันและกันต้องฟังทั้งหลายการลงมาโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ได้วยเวลาเป็น่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบูรในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยตรกันสวัสดี